เ<า>จริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็มาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยในรายการธรรมสูส่สันติซึ่งวันนี้อาตมาก็จะนําธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักษมังคโลโอเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามมาฝากท่านสาธุชนเช่นเคยวันนี้ขอนําเสนอในเรื่องพระรัตนไตรัยกําจัดทุกขกําจัดภัยและ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 ในคราวนี้เราก็มีการปฏิบัติทำอย่างนี้เช่นเคยเผู้เก่าก็มีผู้ใหม่ก็มีอาตมาเพียงแต่จะขอเล่าเล็กน้อยสำหรับผู้มาใหม่ ก็อาจจะสงสัยในเรื่องการปฏิบัติพระสัทธรรมแม่เพียงว่าคำบูชาพระกรรมฐานที่ว่าบูชาพระพุทธเจ้าแล้วแก้ทุกข์ได้จริงบูชาพระธรรมเจ้าแล้ว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 ก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่าบูชาสักเล็กน้อยเป็นพื้นฐานการบูชากระทำได้สองอย่างคือบูชาด้วยเครื่องบูชามีดอกไม้ทูปเทียนของหอม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 นี่ทั้งหมดเช่นนั้นชื่อว่าอามิสบูชาอีกอย่างหนึ่งคือว่าเห็นคุณค่าของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นนั้นแล้วรับ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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ต้องรู้ด้วยปัญญายกย่องสรรเสริญและประพฤติธปฏิบัติตามหรือเอาพระสัตยธรรมของท่านมาประพฤติธปฏิบัติตามพระธรรมพระวิ น, นัยที่ท่านแสดงไว้ดีแล้วนี่เป็นการบูชาอันเยี่ยมและเราเหล่าพุทธศาสนิกชนก็รู้ถึง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 เพียงกำหนดนึกอยู่ในใจบำเพ็ญบา ร, รมีอยู่รู้อยู่นึกอยู่ในใจถึงสี่อสงไขยแสนกลับนี่เฉพาะองค์นี้และเปลงออกมาด้วยวาจา mm hmm. ก็อีกสี่อสงไขยแสนกลับ mm hmm. แล้วตั้งใจบำเพ็ญการกรรมจริงๆเพื่อยังบา ร, รมีทั้งสิทธิทัศ ให้เจริญจากบุญเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปร r a m a t บารมีทั้งสิบข้อให้เต็มส่วนเพื่อที่จะบรรลุปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรผลนิพพานและพระอนุตตรสัมมาสัมพธทียันเพื่อมาสั่งสอนเอาพระสัตวธรรมที่จะให้ผลเป็นการบำบัดทุกบำรุงสุขเอามาสั่งสอน เวนัยสัพพสัตทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลา ย, ท, ท, ลายทั้งปวงที่พอจะรับคำสั่งสอนของพระองค์ได้นั่นะทรงบำเพ็ญบารมีนี้มาอีกสี่อสงไขยแสนกัปพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆก็มีบำเพ็ญในระดับนี้หรือมากกว่านี้มีแปดอสงไขยแสนกัป บ, บ้างสิบหอสงไขยแสนกัป บ, บ้างและเชื่อแน่ว่า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 ทีนี้เมื่อพระพุทธองค์แต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์บำเพ็ญบารมีเต็มแล้วบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธยานแล้วสิ่งที่พระองค์หรือพระสัจธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุสูงสุดคือพระอริยสัจสี่ทุกมียังไงหยาบละเอียด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 ในทุกติภูมิมีภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ดิรัชานมากต่อมากนะักต่ท่านอยากรู้ว่าสัตว์ดิรัชานมันมีกี่มากน้อยท่านไปดูสัตว์ในทะเลเล็กลงไปจนเป็นแพลงตั้นจนกลายเป็นสัตว์เซลล์เดียวอะมีบ้าไฮดราต่างๆหนักๆเข้าก็เป็นเชื้อโรคไปเลย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 นี่ทุกปกปิดอย่างนี้เราไม่รู้หรือว่าทำกรรมอย่างนี้ได้รับผลกรรมอย่างไรต่อไปในอนาคตก็ไม่รู้หรือว่าไอที่บางคนอดี่วนี้ก็ทุกยากบางคนก็สุขสบายก็ไม่รู้อีกแหละว่าเพราะอะไรบางคนก็รบกันอยู่นั่นเหมือนตะวันออกกลางเข็นฆ่ากันอยู่นั่น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 เมื่อได้จังหวะได้โอกาสเหมือนกับต้นไม้ที่มันจเจริญเติบโตพอเหมาะกับฤดูกาลบรรยากาศแล้วก็ออกดอกออกผลชั้นใดชั้นนั้นให้ผลเมื่อไรก็เมื่อนั้นทีนี้ไอ้ของเก่าเราแก้ไม่ได้ทําไปแล้วนี่ไอ้ต่อไปข้างหน้าเราทำยังไงเราเรียนให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์